50 languages. Hokkaido. Thaisanta. At t h bank. Dichen. I want to open an a c c o u n b u l r i a obriuncomta. This is Dichen's travel book. Aquest és el meu passaport. I และนี่ที่อยู่ของดิฉันอ a กา a เตสเลเม a า d ดรส a ดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน d a กร a d ารียาดิปู i ิต r ดีเนสเอา m มียวคอมตดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน v o l รียาทรเอยราดีเนสเอาเมียวคอมต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 ดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉันเงินเข้าหรือยังคะดิฉันต้องการแลกเงิน ดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐนัสซิตูดอลลาร์ซามาริ a ันกรุณาขอแบงก์ย่อยค่ะ i ดนิมบ l ลเลต e ์ปิด si us plau ที่นี่มีตู้เอทเอไหมคะสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะคว n นส์ดิเนสปุกเ